วันนี้เป็นวันเสาร์ที่แปดเมษายนพุทธศักราชสองพันห้ากกเป็นอีกวันหนึ่งที่จะต้องผ่านไปเหมือนกับเมื่อวานนี้และเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้เพราะเวลาเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง เป็นสิ่งที่มีการคืบหน้าไปเรื่อยๆวันเวลาก็ไหลไปชีวิตของพวกเราก็ถูกเวลากลืนไปทีละวันชีวิตของพวกเรานี้เมื่อเกิดมาอยู่ในโลกนี้แล้ว <c oughs> ก็ต้องเริ่มนับถอยหลัง เพราะว่าเวลามันเริ่มมันเริ่มเคลื่อนไหวเราออกมาจากท้องแม่เดี๋ยวก็ครบหนึ่งปีเดี๋ยวก็ครบสองปีเดี๋ยวก็ครบสาม ป, ปีมันจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอายุเรามาขึ้นไปเท่าไหร่ เวลาที่เราจะอยู่ในโลกนี้ก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆตามอายุ อ, อายุยิ่งมากเวลาที่จะอยู่ในโลกนี้ก็ยิ่งมีน้อยเพราะนี่เป็นธรรมชาติของร่างกายนี้ที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ื่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาื่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาื่องพ้นความตายไปไม่ได้นี่คือเรื่องของร่างกายแต่เรื่องของใจนี้ที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้ ไม่ได้แก่ไปตามร่างกายไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยตามร่างกายไปแล้วก็ไม่ได้ตายตามร่างกายไปเพราะใจนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่เป็นธรรมชาติที่ยังตกอยู่อิทธิพลของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา คือความโลภความโกรธความหลงความหลงที่พาให้ใจนี้คอยมากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยเพราะไม่รู้ว่าการเกิดนี้เป็นความทุกข์ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้น ทุกเพราะว่าเป็นของไม่เที่ยงทุกเพราะว่าเป็นของที่ไม่ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครสามารถไปครอบครองถือเป็นของของตนได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของธรรมชาติ <Yes. S 1> ธรรมชาติสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาแล้วธรรมชาติก็จะเป็นผู้ที่ ลบล้างสิ่งต่างๆไปทำลายสิ่งต่างๆไปนี่คือเรื่องของความหลงของใจที่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนกันความหลงทำให้คิดว่าการที่จะมีความสุขได้จําเป็นจะต้องมาเกิดเพราะว่าเมื่อมาเกิดแล้วก็จะได้ มาเสกสิ่งที่อยากจะเสพสิ่งที่ใจอยากจะเสบก็คือการมคูณห้าคือลูกเสียงกลิ่นลดผลพะและการที่จะได้เสบลูกเสียงกลิ่นลดผลพระนี้ก็ต้องมีลาบมีทรัพย์มีเงินมีทองมียศมีสัมเสริ์ จึงทำให้ใจที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ต้องมามีร่างกายต้องคอยมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปใจที่ไม่ตายก็รอจังหวะรอโอกาสพอมีโอกาสมีจังหวะที่จะได้ร่างกายอันใหม่ก็จะไป ผูกติดไว้กับร่างกายอันใหม่ทันทีผูกติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสต่างๆที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จะได้เกิดความสุขขึ้นมาเกิดความสุขแต่ นอกจากจะได้ความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกิรดแล้วบางทีก็ไปได้ความทุกจากการได้เสพ ร, รูปเสียงกิริลดกับผธทพะด้วยเพราะว่ารูปเสียงกิริยลดผลทพะนั้นมีอยู่สามรูปแบบด้วยกันแบบสุขก็มีแบบทุกข์ก็มีแบบไม่สุขไม่ทุกข์ก็มี พอไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะแบบที่ไม่ที่ที่เป็นทุกข์ก็ทำให้ใจทุกข์ตามไปด้วย<ม>คิดว่าจะมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะแต่กับกายไปได้ความทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะ<ม>พอได้ความทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะก็พยายามที่จะเปลี่ยนรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะ เปลนไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณที่เป็นสุขชีวิตก็ต้องคอยดิ้นต่อสู้ดิ้นหนีทุกของรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัและวิ่งหารูปเสียงกลิ่นรสผลิภัที่เป็นสุขถ้าถึงแม้ว่าจะได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัที่เป็นสุขมา มันก็ไม่ได้อยู่ไปงานได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปพอมันหายไปหมดไปก็ต้องไปหาใหม่มก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีความสามารถคือร่างกายยังมีความสามารถที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสพลทภะได้แต่ร่างกายมันก็เป็นของที่ไม่เที่ยง ของที่จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆร อ, ยอนร่างกายมีความมีอายุมากขึ้นมากขึ้นสมรรถภาพความสามารถที่จะไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพชนิดต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆกำลังเลี้ยวแรงอะไรต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงการจะหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพก็จะเป็นของที่ยากขึ้นแล้วถ้าเกิดไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดเจ็บใข้ได้ป่วยขึ้นมาความสามารถที่จะหามันก็แทบจะไม่มีเลย <c oughs> กลายเป็นการมาอยู่กับความทุกข์ <c oughs> ทุกทางกายและทุกทางใจร่างกายก็เจ็บปวด ใจก็ทุกข์เพราะว่าไม่สามารถไปหาสุขเขเวทนาได้เพราะเจอแต่ทุกขเขเวทนาของร่างกายอันนี้แหละเป็นความหลงที่พาให้ใจมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะเป็นธรอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆมาเป็นเวลาอันยาวนาน พอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปพอได้ร่างกายอันใหม่ก็ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปการเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี้เมื่อเสบแล้วมันก็จะทำให้ติดมันจะทำให้เกิดความอยากจะเสบขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆได้ดูได้ฟังแล้ววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากได้ดูได้ฟังใหม่ ได้กินได้ดื่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะได้กินได้ดื่มได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปเที่ยวที่นี่แล้วก็อยากจะไปมันไม่มีวันจบมันนี่แหละเป็นตัวตัวความอยากเนี่ยอยากในการมาคุณห้าเนี่ยอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสทวดถ้นี่แหละเป็นตัวที่ชักนำหรือดึงใจให้มามีร่างกายหรือให้ไปหาร่างกายเวลาที่ไม่มีร่างกาย เวลาที่ร่างกายอันนี้ตายไปใจก็จะเป็นดวงวิญญาณที่จะล่องลอยไปหาร่างกายอันใหม่แต่ก่อนที่จะไปได้ร่างกายอันใหม่ก็จะต้องไปผ่านสวรรค์ผ่านนรกก่อนทางที่จะไปสู่พพใหม่ชาติใหม่นี้มันก็มีนรกหรือสวรรค์ขวางอยู่เพราะว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น การไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี้บางเวลาก็อาจจะไปหาโดยวิธีด้วยการกระทำบาป ก, mm hmm. ก็ไปสร้างนรกมาขวางทางไว้ mm hmm. แต่ถ้าบางครั้งไม่ได้ mm hmm. ไม่ได้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสด้วยการทําบาป mm hmm. แต่หาด้วยการทําบุญ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นการไปสร้างสวรรค์ไว้ข้างหน้า พอร่างกายนี้ตายไปบาปกับบุญนี้ก็จะเป็นด่านที่จะต้องผ่านก่อนที่จะไปได้ร่างกายอันใหม่ต่อไปนี่คือเรื่องราวของใจที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายที่พวกเราจะไม่มีวันรู้เรื่องนี้ได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้ามาคอยสอนมาคอยบอกพวกเรา ให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจที่มาอาศัยร่างกายใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสบลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะใจยังมีความอยากอยากในรูกเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่แล้วความอยากนี้มันจะมีคงอยู่ไปเรื่อยๆตราบใดที่มีการไปตอบสนองความอยาก วิธีที่จะทำให้ความอยากนี้หมดไปเพื่อที่ใจจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็ดตายก็ต้องตัดความอยากอันนี้นั่นเองตัดกามตันหาให้ได้และการที่จะตัดกามาตันหาได้นี้พระพุทธเจ้าก็ส่งคนพบเครื่องมือเครื่องมือในการที่จะทำให้ ใจไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปด้วยการหยุดความอยากไม่ให้กระทำความอยากทางตาหูจมูกนิ้วกายเครื่องมือที่เราใช้พระเจ้าทรงสอนให้เอามาใช้นั้นก็คือทานศีลภาวนาทานศีลแล้วก็ภาวนาภาวนานี้ก็มีอยู่สองส่วน ส่วนแรกเรียกว่าสมถภาวนาคือการทำใจให้สงบหรือสมาธิการทำสมาธิเรียกว่าสมถภาวนาส่วนที่สองการทำใจให้ฉลาดเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาหรือทำให้ใจมีปัญญานั่นเองดังนั้นเครื่องมือที่จะมาแก้ความอยาก เพื่อที่จะมาตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่าตายเกิดให้มันหมดไปก็ต้องใช้ทานใช้ศีลใช้สมาธิและใช้ปัญญานแล้วถ้าเรายังไม่มีทานยังไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา เราก็ต้องมาสร้างทานสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญากันเพราะถ้าเราไม่มีทานศีลสมาธิปัญญาเนี่เราจะไม่มีกําลังที่จะสู้กับความอยากในการมคุณห้าหน้าความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆนี่คือ การกระทําของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเราทํากันอยู่สองทางด้วยกันทางที่นําไปสู่การสะสมเพิ่มพบชาติให้มีไปเรื่อยๆคือทางแห่งกามตัิหาการไปทําตามความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดผลธัพพชนิดต่างๆเป็นการต่ออายุของพบชาติให้มีเพิ่มมากขึ้น พราะมันเป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติดยาเสพติดนี้เราเสพครั้งเดียวไม่พอหรอกเสพแล้วก็จะต้องเสพอีกเพราะมันติดอยากเสพแล้วพอได้เสพแล้วคิดว่าความอยากเสพมันจะหายไปเลมมันไม่หายหรอกมันก็พักตัวเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวพอลิ์ของยาที่ได้ ได้เข้ามาในร่างกายมันหมดไปความอยากที่จะได้ฤทธิ์ของยามาเสพก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยความอยากตัวนี้แหละที่มันพาให้ใจไปเกิดต่อเพราะว่าเวลาร่างกายตายไปความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันไปกับใจที่ไม่ตาย แลามันเป็นตัวที่ดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะมันอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผธพระมาเสพอีกต่อไปนั่นเองเราจึงมีการมากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเกิดเพื่อที่จะได้มีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายไว้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสผธพระนั่นเองอันนี้แหละคือปัญหาของใจ ที่ต้องมาติดกับร่างกายที่เป็นของไม่เที่ยงที่เป็นของที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นของที่จะให้ความทุกข์กับใจซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใจต้องการใจต้องการใช้ร่างกายไปหาความสุขแต่ไม่รู้ว่าธรรมชาติของร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยง มันจะต้องทําให้ใจทุกต่อไปเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บแล้วร่างกายตายไปวิธีที่จะทําให้ใจนี้ไม่ต้องมามีร่างกายไม่ต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็ต้องทําต้องหยุดความอยากต้องฝืนความอยากในรูปเสียงจิตลดโผฏฐะชนิดต่างๆ นะเครื่องมือที่จะใช้ในการหยุดความอยากก็คือทานศีลภาวนานั่นเองทานนี้คือการให้ของที่เราไม่อยู่แก่ผู้อื่นไปเช่นเงินทองนี่อย่าเอาเงินทองนี้มาใช้ตามความอยากอย่าไปใช้กับความอยากดูอยากฟังอยากกินอยากริ้มรสอยากดื่ม อยาอะไรอันนี้เป็นการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะเป็นการใช้เงินเพื่อกิเลส<ม>เพื่อความอยากการใช้เงินใช้ทองหรือใช้ข้าวหรือของอะไรต่างๆนี้ไปเพื่อไปได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้มันจะเป็นการสร้างพพสร้างชาติต่อพบต่อชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ วิธีที่จะแก้ปัญหาตัวนี้ปัญหาจากการที่เราเอาใช้เงินใช้ทองของเรานี้ไปทำตามความอยากต่างๆเราเอาเงินก้อนเดียวกันนี้ไปทำบุญทำทานแทนเอาไปช่วยคนอื่นเอาไปให้คนอื่น ไ้สงเคราะห์คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราไม่ได้เสพความอยากถ้าใช้เงินแบบนี้เราสกัดกั้นความอยากเช่นช่วงสงการานต์ที่จะถึงนี้ก็มีวันหยุดยาวห้าวันด้วยกันเนี่ยมีทางเลือกสองทางในการใช้เงินที่เรามีอยู่นี้ถ้าเราอยากจะต่อบภพตอชาติเราก็เอาไปใช้กับการท่องเที่ยว ห้าวันนี้คนก็คิดถึงการท่องเที่ยวกันจะได้ไปเที่ยวที่ไหนที่อยากจะไปการเที่ยวก็เป็นการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสของสถานที่ที่เราไปท่องเที่ยวนั่นเองตาได้ดูหูได้ฟังจะบุกได้ดมกลิ่นลิ้นได้สัมผัสกับรสของอาหารที่เราไปรับประทานตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้สัมผัสกับบรรยากาศของสถาน ของอากาศที่เราไปท่องเที่ยวเช็นตอนนี้ที่เราบ้านเรามันร้อนอไปเที่ยวที่ไหนที่มันเย็นอย่างนี้อันนี้เป็นการไปต่อพบต่อชาติโดยไม่รู้สึกตัวไปต่อความแก่ความเจ็บความตายให้มีเพิ่มมากขึ้นไม่ได้ทำให้ความเกิดแก่เจ็บตายนี้ลดน้อยถอยลงไปกลับมี ทำให้มีปริมาณของการเกิดแก่เจ็บตายเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะเมื่อได้เสพแล้วมันจะติดพอเดี๋ยวมันกลับมาจากสงการมันก็วางแผนว่าเดี๋ยววันหยุดคราวหน้าไปไหนต่อยเพราะมันติดมันอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้อยู่แล้วเหงาแล้วซึมเศร้าต้องออกไป หาที่แปลกหูแปกตาไปสัมผัสรับรู้ไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรต่างๆอันนี้แหละห้าวันที่มาเนี่ยเรามีทางเลือกจะไปทางของการเวียนว่ายตายเกิดเพิ่มมากขึ้นหรือจะไปทางลดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงทางที่จะไปลดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงก็ไปทําทานกัน ไปทำบุญทำทานเช่นบางท่านก็อาจจะไปอยู่วัดกันแล้วก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปบริจาคให้กับวัดจ่ายค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าทํานุบํารุงท้าวอลและวัตถุต่างๆของวัดแล้วก็ใช้เวลาห้าวันนั้นมาสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาที่เป็นเครื่องมือที่จะ ตัดความอยากต่างๆให้เบาบางลงให้น้อยลงแล้วก็จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดของเรานั้นลดน้อยลงไปตามลำดับนี่คือการกระทำที่เราสามารถเลือกกระทำได้ถ้าเราไม่ได้มาศึกษาทางพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่รู้ว่าการกระทำของเรานี้ ส่งผลต่อจิตใจของเราอย่างไรทำให้ใจของเรามีความทุกข์มากขึ้นหรือมีความสุขน้อยลงแต่มันกลับจะทําให้เราเห็นกับตาละปัดเห็นเห็นไม่ตรงกับความเป็นจริงเห็นว่าการได้ไปเที่ยวห้าวันนี้จะได้ความสุขแต่มองไม่เห็นระยะยาวว่าเราได้ความสุขระยะสั้น แต่เราไปต่อความทุกข์ระยะยาวต่อการเกิดแก่เจ็บตายให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เรามองไม่เห็นตรงนี้เห็นแต่ความสุขที่เราได้ในระยะสั้นๆจากการที่เราไปเที่ยวกันห้าวันโอกไปเที่ยวก็นสนุกเพลิดเพลินมีความสุขแต่เรากําลังไปสะสมความอยากให้มีมากขึ้น อถ้าเราไปที่ห้าวันแล้วทําให้เราไม่อยากไปเที่ยวอีกต่อไปอันนี้ก็น่าจะไปกันจะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าตัดความอยากด้วยการไปทําตามความอยากได้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแทนที่จะไปตัดความอยากให้น้อยลงไปมันกลับไปเพิ่มความอยากให้มีมากขึ้นทําให้อยากจะไปเที่ยวอีกอยาก่าง เที่ยวสงการแล้วเดี๋ยวก็วางแผนเข้าพรรษาแล้วเดี๋ยวมีวันหยุดยาวอวย่างนี้ปังตรงไหนมีวันหยุดยาวก็วางแผนไปเที่ยวกันอีกแล้วอันนี้แหละเป็นการไปสร้างความทุกข์เพิ่มความทุกข์ให้โดยไม่รู้สึกโดยไม่รู้สึกตัวคิดว่ากําลังไปหาความสุขกันแต่มันเป็นความสุขระยะสั้นระยะแค่ระยะที่เวลาที่ได้ไปเที่ยวตัวึองไปเที่ยวห้าวันก็สุขห้าวัน แต่ไม่รู้หรอกว่ากำลังไปต่อบภพตอชาติไปต่อความแก่ความเจ็บความตายอีกกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้มันจะต่อให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นการกระทาของเราเนี่ยจะมีผลต่อทางจิตใจเราอยู่สองทางด้วยกันทางที่พาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรือทางที่ไปลด ไปตัดการเยียนว่ายตายเกิดของเราให้น้อยลงไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็มีอยู่สองการกระทำใหญ่ๆถ้าไปเที่ยวไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสหรือไปหาทรัพย์ไปห า, าปลาภยศสรรเสริญ <c oughs> การกระทำเหล่านี้เรียกว่าเป็นการกระทำเพื่อตอบสนองความอยากเป็นการไปสร้างภพสร้างชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับส่วนการที่จะไปตัดภพตัดชาติ ให้มันมีน้อยลงไปนั้นก็ต้องไปในทางของทานศีลสมาธิและปัญญาหรือทานศีลภาวนาที่ญาติโยมที่มาวัดกันในขณะนี้กำลังทากันอยู่พวกเราที่มาวัดกันนี้เรามาทาบุญทาทานกันเรามารักษาศีลกันเรามาฝึกสตินั่งสมาธิทาใจให้สงบกัน แล้วเราก็มาเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมนี้อันนี้แหละเป็นการไปตัดภพตัดชาติเพราะไม่ว่าจะเป็นทานก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนี้เป็นเครื่องที่สกัดความอยากทั้งนั้นเช่นการยาวเงินไปเที่ยวไปตอบสนองความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นไปทําบุญทําทาน อันนี้ก็จะเป็นการสกัดการรักษาศีลก็เป็นการสกัดความอยากบางทีอยากได้ของที่เราไม่ไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีสุจริญก็จะก็อาจจะต้องไปช่อบโกงไปโกหกหลอกลวงหรือไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเพื่อที่จะได้เอาทรัพย์นั้นไปซื้อของที่เราอยากได้พอเรารักษาศีล เราก็ทำไม่ได้ตอบสนองความอยากด้วยการกระทำบาปไม่ได้อันนี้ก็เป็นการสกัดความอยากอีกวิธีหนึ่งด้วยการรักษาศีลการสกัดความอยากด้วยการรักษาศีลนี้ก็มีอยู่สองระดับเหมือนกันมีศีลสองระดับศีลห้าแล้วก็ศีลแปดศีลห้าก็สกัดความอยาก ที่จะไปทําอะไรเพื่อให้ได้ตอบสนองความอยากของตนด้วยการฆ่าผู้อื่นก็ดีด้วยการลักทรัพย์ก็ดีด้วยการประพฤติผิดประเพณีก็ดีด้วยการโกหกหลอกลวงก็ดีหรือด้วยการดื่มของมึนเมาก็ดีสุรายามเมานี่พอเราถือศีลห้านี้เราก็ไม่สามารถทําตามความอยากเหล่านี้ได้ ก็เท่ากับการสกัดภพชาติลดตัดภพชาติให้น้อยลงไม่ให้มันงอกงามถ้าเราไปทําตามความอยากอยากได้อะไรต้องฆ่ า, าก็ยอมฆ่าเนอยากจะกินปลาสดๆคนบางคนก็ออกไปเช่าเรือออกไปเที่ยวทะเลแล้วก็ไปตกปลากลางทะเลจะได้ปลาสดๆได้มาแล้วก็ มแกงบนเรือเลยกินเงินบนเรือเลยได้อาหารรสชาติอริดอร่อยแต่ถ้าไปถือศีลห้าก็ไปทำไม่ได้สกัดความอยากศีลก็มีไว้สกัดความอยากศีลห้าก็สกัดได้ห้าข้อศีลแปดก็เพิ่มเป็นแปดข้อเพราะว่าความอยากมันมีเยอะมันมี มันมีถึงแปดแปดแปดข้อด้วยกันสําหรับศีลถ้าเบื้องต้นเริ่มต้นรักษาศีลถ้ายังรักษาแปดข้อไม่ได้ก็ห้าข้อก่อนรักษาห้าข้อนี้พยายามรักษาให้ได้ทุกวันเพราะว่าเวลาใดที่เราไปทําบาสนี้ขอให้เราเข้าใจว่าเรากําลังไปเพิ่มความเกิดแก่เจ็บตายให้มีมากขึ้นทุกครั้งไป ทุกครั้งที่ทำบาปนี้มันพาให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเพิ่มมากขึ้นไปและก่อนที่จะไปเกิดใหม่ก็ต้องไปผ่านนรกด้วยถ้าเราไปทำบาป <Yeah. S 1> ก่อนที่เราจะไปได้ร่างกายอันใหม่ถ้าเราทำบาด้วยความอยากเพื่อตอบสนองความอยากฆ่าเพื่อตอบสนองความอยากรักทรัพเพื่อตอบสนองความอยากประพฤติผิดประเพณีเพื่อตอบสนองความอยาก โกหกเพื่อตอบสนองความอยากดื่มสุรายาเมาเพื่อตอบสนองความอยากอันนี้มันก็จะสร้างพบสร้างชาติให้มากขึ้นและสร้างนรกรอเราอยู่ข้างหน้าด้วย ใ, ใจของเราจะร้อนจะทุกข์ในขณะที่ร่างกายนี้ตายไปด้วยอำนาจของบาปที่เราได้ทำกันเอาไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ต้องผ่านไฟนรกพัน ผ่านไฟอบายไปก่อนถึงจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไปพอไปได้เป็นมนุษย์ก็ต้องไปทุกข์กับความเป็นมนุษย์อีกต้องไปเกิดแก่เจ็บตาย mm hmm. แล้วก็ไปทำตามความอยากต่อไปอีกรอบหนึ่ง mm hmm. เพื่อที่จะได้ไปเกิดใหม่ อ, อ, อีกรอบหนึ่ง mm hmm. ถ้าทำอย่างนี้มันก็จะพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆแต่ถ้าทา วิธีตรงกันข้ามกันก็คือทำทานรักษาศีลสกัดความอยากนั่งสมาธิเพื่อหยุดความอยากเจริญปัญญาเพื่อถอดถอนความอยากอันนี้ถ้าเราทำได้ความอยากมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆภพชาติของเราก็จะน้อยลงไปและการไปเกิดพบต่อไปมันก็จะมีสวรรค์รออยู่ข้างหน้าแทนที่จะเป็นนรกนี้ มันก็จะเป็นสวรรค์เพราะเรามีการทำบุญทำทานแทนที่จะทำบาปเรากลับมีการทำบุญทำทานมีการรักษาศีลเราก็สร้างสวรรค์รอเราอยู่ข้างหน้าเวลาร่างกายนี้ตายไปดวงวิญญาณเราก็จะเข้าสู่สวรรค์ไปก่อนที่เราจะไปได้ร่างกายอนใหม่ถ้าเรายังไม่ได้สามารถหยุดความอยาก ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปในชาตินี้ได้ชาติต่อไปก็จะมีน้อยลงไปและขณะที่เราเป็นดวงวิญญาณมันก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขเพราะมันจะผ่านสวรรค์แทนที่จะมีนรกมารอมันกลับมีสวรรค์มารอขวางทางเราอยู่รอรับเราอยู่ก่อนที่เราจะไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <c oughs> นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราให้คิดถึงอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไป<ม>เรากําลังทําอะไรกันอยู่<ม>เรากําลังสร้างพบสร้างชาติกันหรือว่าเรากําลังตัดพบตัดชาติกัน<ม>ถ้าเราทําตามความอยากในรูปเสียง ก, กลธพธพิ<ม>่นรสผลพระด้วยการไปหาลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย อันนี้แหละเรากําลังสร้างพบสร้างชาติกันโดยไม่รู้สึกตัวสร้างความแก่ให้มีมากขึ้นสร้างความเจ็บไข้ได้ป่วยให้มีมากขึ้นสร้างความตายให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราอาจจะได้มีความสุขเวลาที่เราได้ราบยศสารเสริญสุขกันแต่เราไม่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขที่บางหน้าความทุกข์อยู่ มันเป็นเหมือนน้ำตาลที่เคลือบยาขมอยู่เนะี่ยน้ำตาลนี่มันเป็นผิวบางๆเคลือบยาขมไวเพื่อให้คนกินยาจะได้เกินลงไปได้ถ้าไปเจอรสขมมันอาจจะเกินไม่ลงก็เลยต้องใช้น้ำตาลเคลือบไว้หน่อยพอเข้าไปในปากลิ้นแต่น้าตาลมันก็เกินเข้าไปได้อันนี้ก็เหมือนกันความสุขที่เราได้จากราบยศทรเสริญสุขเนี่ย สุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเนี่ยมันเป็นความสุขผิวผิวบางๆที่หุ้มหอ่อความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายเอาไว้โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราไม่รู้ว่าทุกครั้งที่เราได้ลับยศสารสนสุขมานี้เราได้ของที่เราไม่ต้องการตามมาด้วยก็คือความแก่ความเจ็บความตายที่พวกเราจะต้องเจอกันในภพนี้ชาติ น, นี้อย่พวกเราเกิดมาแล้วมีใครปฏิเสธได้ไหมว่า เกิดมาแล้วนี้เราจะไม่แก่กันเราจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกันเราจะไม่ตายกันไม่เป็นไปไม่ได้ <those> อาจจะหนีความแก่ได้อาจจะหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยได้เพราะตายตั้งแต่เยาว์วัยออกมาจากท้องแม่ก็หายใจไม่ออกหยุดหายใจอย่างนี้ก็หนีได้สองอย่างหนีความแก่ได้หนีความเจ็บไข้ได้ป่วยได้แต่หนีความตายไม่ได้ เกิดแล้วต้องมีความตายทุกคนแล้วก็ถ้าอยู่นานอยู่ยาวก็ต้องไปเจอความแก่แล้วก็ต้องไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยผลผลเหตุที่พาให้มาเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็คือการไปหาทําตามความอยากได้ลาบยศสรเสริญสุขกันนี่เองแล้วเรายังวิ่งหาลาบยศสรเสริญสุขกันอยู่ยังอยากลาบอยากรวยกันอยากเป็นใหญ่เป็นโตกัน อยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรต่างๆแล้วก็อยากได้รางวัลกันอยากได้เหรียญทองอยากได้อะไรแล้วก็อยากจะได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆความอยากเหล่านี้แหละมันเป็นตัวที่จะพ า, พาให้เรามาได้ได้เกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆขอให้เราจำไว้ให้ดี ถ้าเราไปหาสิ่งเหล่านี้เท่ากับการไปหาการเกิดแก่เจ็บตายที่จะเป็นความทุกข์ที่เราไม่ต้องการกันเราหนีไม่พ้นถ้าเราไปทางนี้ไปทางแห่งการหาราบยศเสรญสุขเราก็จะไปเจอกับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ เ, เจอความทุกข์ที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราไปทางที่พูะเจ้าทรงสอนให้ไปคือไปทางทานศีลภาวนาหรือสมาธิปัญญาเนี่ยเราก็จะไปทางสู่การไม่เกิดนั่นเองพอไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายตามมาอันนี้คือสิ่งที่พวกเราจะต้องคอยสังเกตดูอยู่เรื่อยๆคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆ บานเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่ <S <S เรากำลังไปหาลาภยศสรารเสริญสุขหรือเราไปหาทานศีลภาวนากัน <S <S ถ้าไปหาลาภยศสรเสริญสุข <S 1> <S 1> ก็คือเรากำลังไปสร้างพบสร้างชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นสร้างการเวียนว่ายตายเกิดสร้างการเกิดแก่เจ็บตายให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไปทางทานศีลภาวนา เราก็ไปลดหรือไปตัดการเกิดแก่เจ็บตายให้น้อยลงไปเรื่อยๆ อ, อาจจะทำให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเลยก็ได้ซึ่งมีคนในยุคสมัยพุทธกาลนี้ทำกันได้เยอะแยะไปหมดเพราะมีครูสอนมีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันตสาวกที่คอยสอนคอยบอกให้มันทำทานนักษาศีลภาวนากัน อย่าไปหาลาบยศสรรเสริญสุขกันถ้าจะหากินก็หาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อย่าไปหาเพื่อให้รัมํมรวยเพื่อจะได้มีความสุขจากความนัํมรวยอย่าไปหายศหาตาแหน่งอย่าไปหารางวีรางวัลอะไรต่างๆสรรเสริญอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดพละเพราะนี่เป็นการไป สร้างการเกิดแก่เจ็บตายให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆในสมัยพุทธกาลจึงมีคนตัดภพตัดชาติทำภพนี้ชาตินี้ให้เป็นชาติสุดท้ายได้เป็นจํานวนมากเลยเพราะมีคนคอยสอนและมีคนร่วมปฏิบัติกันเยอะมีคนชวนกันไปปฏิบัติเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ชวนกันไปปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้านี่พอหลังจากที่ได้ตัดทะลุแล้วไปโปรด พระราชวงศ์นี้ญาติพี่น้องก็ขอบวชกันตามบวชกันยเยอะแยะไปหมดเยมีเจ้าชายตั้งห้าลูกขอบวชตามพระพุทธเจ้าแล้วก็มีลูกชายของพระพุทธเจ้าก็มาบวชเป็นเลนต่อมาแม่ของพระเจ้าก็มาขอบวชเป็นชีเป็นภิกษุณีเพราะว่าพอเห็น เห็นสิ่งที่จะได้รับนี้มันเป็นของที่เลิศที่ประเสริฐเขาไม่มีใครอยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายกันถ้าจะแก่จะเจ็บจะตายก็ขอให้มันเป็นชาตินี้เป็นครั้งสุดท้ายก็พอเพราะมันทรมานเวลาแก่นไม่ไม่มีใครอยากจะแก่กันหรอกเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายก็ไม่มีใครอยากจะตายกันแต่หนีไม่พ้น ถ้าเกิดมาแล้วมันต้องเจอแน่ๆวิธีที่จะไม่เจอความแก่ความเจ็บความตายนี้ก็ต้องคือการไม่มาเกิดเท่านั้นและการที่จะไม่มาเกิดได้ก็ต้องมีการทำทานรักษาศีลภาวนานี่ดังนั้นเราต้องมาทำทานศีลภาวนากันถ้าเราไม่รู้วิธีทำทานว่าทำอย่างไรบ้างเราก็ต้องมาศึกษา เพราะว่ามันมีหลายวิธีด้วยกันการทำทานนี้ก็มีอยู่สี่วิธีด้วยกันที่เราสามารถทำทำได้วิธีแรกเราเรียกว่าวัตถุทานคือการให้ข้าวของเงินทองสละข้าวของเงินทองไปให้กับผู้อื่นช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นให้เขาได้สุขได้สบายได้ปัดเป่าความทุกข์ยากลำบาก ของเขาให้น้อยลงไปหรือหมดไปก็ต้องใช้ข้าวของเงินทองเช่นถ้าเกิดมีภัยต่างๆน้ําท่วมคนไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีข้าวกินไม่มีเครื่องนุ่งห่มอย่างนี้เราก็บริจาคซะไปหรือว่าถ้าเรามีเสื้อผ้ามีอาหารเหลือเฟือก็แบ่งไปก็ได้นี่คือการให้ด้วยวัตถุ คือข้าวของเงินทองถ้าเราไม่มีข้าวของเงินทองเราก็ให้อย่างอย่างอื่นที่เรามีให้ก็ได้เช่นถ้าเรามีความรู้เรารู้วิธีทํามาหากินรู้วิธีทำอาชีพอะไรต่างๆเช่นรู้จักการทํากับข้าวทําเย็บปักถักร้อยหรือรู้วิชาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสต ร, ร์ เราก็เอาความรู้เหล่านี้ไปสอนผู้ที่เขาต้องการที่จะเรียนโดยที่ไม่ไปคิดเงินทองสอนฟรีให้ฟรีเรียกว่าวิทยาทานอันนี้ก็เป็นการทำทานได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินทองเพราะบางคนบางคนอาจจะไม่มีเงินมีทองมากพอที่จะเอาไปเอาไปทำทานได้ก็มีอย่างอื่นก็ใช้อย่างอื่นไป ถ้ามีความรู้ความสามารถก็สอนผู้อื่นโดยไม่คิดเงินทองอันนี้ก็เรียกว่าวิทยาทานถ้าไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีความรู้แต่มีธรรมะอย่างพระนี่ไม่มีเงินไม่มีทองก็ให้ธรรมะไปสอนธรรมะวิธีดับความทุกข์วิธีตัดภบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิด สอนให้ผู้ที่ไม่รู้ได้รู้ว่าถ้าไม่อยากจะกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายก็ไปปฏิบัติทานศีลภาวนากันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมทานแล้วอีกวิธีหนึ่งของการให้ก็คือให้อภัยเวลาใครเขาทําเราโกรธทาให้เราเสียหายหเดือดร้อนแทนที่เราจะไปล่ามแค้นไปเอาเรื่องเอาราวเราก็ให้อภัยยกโทษให้เขาไป ไม่เอาเรื่องเอาเราวถือว่าจบเพราะว่าถ้าเราไปล้างแค้นเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาล้างแค้นเราอีกอแล้วก็จะไม่มีวันสิ้นสุดตามตามไปล้างแค้นกันพบต่อไปลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันการสร้างการสร้างเจ้ากรรมนายเวรก็คือการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมการที่ทำลายเจ้ากรรมนายเวรก็คือการให้อภยอัยนี่ อภัยทานานี่คือทานมีอยู่สชนิดด้วยกันสําหรับท่านที่ยังไม่รู้อาจจะไปคิดว่าการทําบุญทําทานนี้ต้องทําด้วยเท่าของเงินทองเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถทําด้วยวิธีอื่นได้อีกวิธีหนึ่งก็คือการให้กําลังใจนะการให้กําลังกายก็ได้เรามีกําลังกายเรามีร่างกายเรามีเวลาว่าง เราก็ไปเป็นจิตอาสาไปเป็นอาสาสมัครไปช่วยงานในสาธารณกุศลต่างๆโดยที่เราไม่ไปรับค่าจ้างเงินทองจากการที่เราใช้กำลังกายเราไปกับการทำงานต่างๆอันนี้ก็เป็นการทำทานเหมือนกันอย่าอยู่เฉยๆอย่าเอาเวลามีค่านี้ไปใช้กับความอยาก อย่าเอาไปเที่ยวอย่าเอาไปหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกหินกายดึงเอาเวลาเหล่านี้มาทำทานกัน<ม>เป็นจิตอาสา<ม>เป็นอาสาสมัคร<ม>ไปทำงานที่เขาต้องการความช่วยเหลือ<ม>ทำให้ได้เกิดประโยชน์<ม><ม>อันนี้แหละเป็นการสกัดความอยากใน ด้วยการด้วยการทาบุญทาทานถ้ามีเงินก็อย่าเอาเงินไปใช้ตามความอยากเอาเงินไปทำบุญทาทานถ้าถ้าอยากจะทำร้ายผู้อื่นเพราะเขาทำให้เรากรก็อย่าไปทำร้ายเขาตัดความอยากที่ไปทำร้ายผู้อื่นด้วยการให้อภัยอันนี้คือเรื่องของทานที่เราสามารถทำกันได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเงินทองเสมอไป ไม่มีเงินทองเราแต่เรามีร่างกายที่แข็งแรงมีเวลาว่างเราก็ไปเป็นอาสาสมัคร<ม>ไปทำอาสาสมัครที่โรงเรียนก็ได้โรงพยาบาลก็ได้<ม>ด้วยกู้ภัยต่างๆก็ได้หรือที่ไหนเขาต้องการต้องการผู้ช่วยเหลือผู้เสียสละ<ม>เช่นบางครั้งก็มีไฟป่าอย่างนี้ก็ต้องไปช่วยการสกัดไฟ ทำอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์ดีกว่าเอาเวลาไปหาราบยศสารเสรนสุกกันเอาเวลามาทําทานกันดีกว่าเอาบริจากเวลาก็เรียกเรียกว่าบริจากเวลาไม่มีทรัพย์แล้วก็บริจากเวลาที่เรามีอยู่ให้เป็นเกิดคุณเกิดประโยชน์กับผู้อื่นนี่คือเรื่องของการทําทานชนิดต่างๆ แลเรื่องของศีลก็มีอยู่สองระดับด้วยกันศีลทุกข้อนี้ก็มีไว้เพื่อสกัดความอยากอยากจะฆ่าผู้อื่นก็อยา่าไปฆ่าอยากจะลักทรัพย์ของผู้อื่นก็อย่าไปลักทรัพย์อยากจะไปประพฤติผิดประเพณีอยากจะไปยุ่งกับสามีภรรยาหรือบุคคลที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของเราไม่ใช่เป็นภรรยาไม่ได้เป็นสามีของเรานี่ก็อย่าไปทาอย่าไป หลอกลวงอย่าไปโกหกหลอกลวงเพราะอยากจะได้เข้าของเงินทองของเขาหรือยอยากจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากเขาก็เลยต้องไปโกหกหลอกลวง<ม>แล้วก็อย่าไปดื่มสุลายาเมาวมเวลาอยากจะดื่มสุลายาเมามก็ต้องตัดมันหยุดมันให้ได้<ม>นี่ศีลก็มีไว้ห้าข้อเพื่อสกัดความอยากที่จะไปทำบาปการทำบาปนี้นอกจากที่จะ ตายเราเป็นเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันยังพามันยังไปสร้างนรกสร้างอาบายรอเราอยู่ข้างหน้าด้วยแต่ที่เราจะได้ไปเป็นมนุษย์ทันทีทันใดหรือผ่านสวรรค์ถึงจะไปเป็นมนุษย์ได้เราต้องไปผ่านอาบายก่อนไปผ่านนรกบ้างไปผ่านไปเป็นเปรตบ้างไปเ ป, เป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นนสุลกายบ้างเกิดจากการทํำบาปห้าข้อนี้เย เพราฉะนั้นเราต้องพยายามรักษาศีลกันให้ได้อย่าไปเห็นว่ามันเป็นของไม่สําคัญเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราทํารักษาศีลเพื่ออะไรเพราะเราเห็นคนที่ทําบาปแล้วก็าล่ำเขารวยเขามีหน้ามีตากันมันก็ทําให้เราไม่มีกําลังใจที่อยากจะอยากจะรักษาศีลกันเพราะรักษาศีลแล้วไม่ได้อะไรเงินไม่ได้ไม่ได้เงินเยอะเหมือนกับคนที่โกหกหลอกลวง ขงคนที่คอร์รัปชันคนที่ชอบโกงคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขามักจะได้ลาบยศเสรรสริญสุขกันแต่เราแ ต, แตเ่เราเราขอไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาได้นอกจากได้ลาบยศเสรรสริญสุขแล้วเขาก็ได้นรกได้อ บ, อบายรอเขาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ได้ไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกยาวนาน อันนี้เขาไม่รู้กันพวกเราชาวพุทธผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์นี้เรารู้ว่าการกระทำบาปเหล่านี้มันไม่ดีสาหรับจิตใจมันเป็นการสร้างพบสร้างชาติให้มีมากขึ้นและเป็นการสร้างอาบายไว้รองรับดวงวิญญาณของเราเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปอ น, นี้คือการรักษาศีลห้า ก็เพื่อสกัดความอยากสกัดภพสกัดชาติให้น้อยลงแล้วก็กําจัดอบายกําจัดนรกไม่ให้ปรากฏขึ้นม า, ใ น, าในระหว่างที่เรายังต้องไปเกิดใหม่แล้วนอกจากนั้นถ้าเราอยากอยากจะหยุดความอยากเพิ่มมากขึ้นก็ต้องถือศีลแปดศีลแปดก็จะให้เราหยุดความอยากเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปอีกเช่นศีลข้อสา นี้จะไม่ไม่ห้ามเราให้เราร่วมหลับนอนกับแฟนของเราได้คู่ครองของเราได้แต่พอเราถือศีลแปดนี่เราก็ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้เราต้องการตัดความอยากเสพกามกับแฟนด้วยถึงการเสพการเสพกามกับแฟนก็จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองเพราะมันจะติดกับพอตายไปจากโลกนี้ไปก็อยากจะกลับมามีแฟนใหม่กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มามีแฟนใหม่ ถ้าเราตัดความอยากอันนี้ได้การจะกลับมาเกิดเพื่อมีแฟนมันก็จะไม่มีมันก็จะลดน้อยลงไปแล้วก็ตัดข้อหตัดความอยากที่จะกินอาหารตามความอยากให้กินอาหารตามความจำเป็นตามความต้องการของร่างกายกินเพื่อให้ดับความหิวของร่างกายไม่ต้องกินตลอดวัน ท, ทั้งวันทั้งคืนกินแค่มือ้อสองมื้อก็พอไม่เกินเที่งวันไปก็ควรที่จะพอแล้ว หลังจากเที่งวันก็ไม่ควรจะรับประทานอาหารอีกต่อไปเพราะถ้ารับประทานอาหารมากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นการรับประทานตามความอยากแล้วก็จะเป็นการไปสร้างคบสร้างชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปนั่นเองอันนี้คือเรื่องของศีลศีลข้อหศีลแล้วก็ศีลข้อเจก็ให้ไม่ให้ไปหาความสุขจากการดูการฟังพวกบันเทิงหมอรสศต่างๆ เห็นน้องําทําเพลงดูหนังดูละครไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆแล้วก็ตัดความอยากที่จะสวยอยากงามอยากจะเสริมสวยความงามด้วยวิธีการต่างๆสไลยนี้มีมีมีวิธีการเสริมความสวยแบบลึกซึ้งมากมีการศัลยกรรมต่างๆตกแต่งได้เปลี่ยนใบหน้าคนได้อย่างนี้ เกิดมาใบหน้าอย่างหนึ่งไม่ชอบใจไปเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ <Yeah. S 2> รูปร่างไม่ชอบใจเปลี่ยนรูปร่างให้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ <Yeah. S 2> อันนี้ถ้าถือศีลแปก็ไม่ทำกัน <Yeah. S 2> เพราะการกระทาเหล่านี้มันก็เป็นการสร้างความอยากสร้างพบสร้างชาติให้มีมากขึ้นไปนั่นเอง <Yeah. S 2> นี่คือศีลข้อข้อเจศีลข้อ8ก็คือไม่ให้นอนมากเกินไป yeah. ความอยากนอนมากเกินไปก็เป็นการสร้างภพสร้างชาเหมือนกันเพราะเป็นการเสพความสบายทางร่างกายจากการล่วงหลับนอนอ เ, เกินความจำเป็นของร่างกายร่างกายนี้ต้องนอนเพื่อพักผ่อนซึ่งนอนคืนหนึ่งก็สี่ห้าชั่วโมงก็พอเพียงต่อการพักผ่อนของร่างกายถ้านอนมากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นการทำตามความอยากแล้วก็เป็นการสร้างภพสร้างชา วิธีที่จะไม่นอนมากเกินไปก็อย่าไปนอนบนฟูกบนเตียงที่มันสบายให้นอนบนฟูกบนเตียงที่มันแข็ง น, นอนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็งหรือนอนกับพื้นปูด้วยผ้าด้วยเสือ่ออย่างนี้มันก็จะทำให้ไม่นอนมากเกินไปนี่คือศสีลงที่เรามาใช้ในการสกัดความอยากในการ ม, มาตัญหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรดพุ เพื่อตัดภพตัดชาติให้มันน้อยลงไปแล้วเราก็มาฝึกสมาธิทําใจให้สงบกันสมาธินี่ก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันมีคณิกสมาธิอัปปนาสมาธิและอุปจารสมาธิสิ่งที่เราต้องการก็คืออัปปนาสมาธิคือความสงบนิ่งใจนิ่งเย็นสบายอยู่กับความว่าง มีอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้เป็นสมาธิที่เราต้องการแต่ก่อนที่เราจะได้อปปนาสมาธิเราต้องผ่านคณนิกะสมาธิก่อนเคยจะสงบชั่วแวบเดียวชั่วมูอแลบลิ้นเวลาที่เราฝึกสมาธิใหม่ๆเวลาที่เราได้สมาธิครั้งแรกนี้มันจะสงบแค่แป๊บเดียวเราเรียกว่าคณนิกะสมาธิ<ม>ก็เป็นสมาธิที่ดี แต่มันยังมันไม่ยาวพอเราต้องปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นต้องฝึกสติให้มากขึ้นเพราะถ้าเรามีสติมากขึ้นสมาธิก็จะนิ่งสงบได้นานเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาได้นี่คือสมาธิที่เราต้องการก็คืออัปปนาสมาธิสมาธิที่จะทำให้ใจเราหยุดความอยากได้หมดเลยชั่วคราวขณะที่ใจอยู่ในอัปปนาสมาธินี่ความอยากทางานไม่ได้ เพงแต่ว่าความอยากไม่ตายด้วยอัปปนาสมาธิเวลาออกจากอัปปนาสมาธิมาเดี๋ยวความอยากก็โผล่มาได้ส่วนสมาธิชนิดที่สมนี้เราเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่ไม่นิ่งคือใจใจสงบได้แป๊บเดียวแล้วก็ออกไปเที่ยวตามในโลกทิพย์ไปสัมผัสกับกายทิพย์หรือไปมีอภิน ญ, ญา มีความสามารถพิเศษมีตาทิพย์หูทิพย์และลึกชาติได้อ่านจิตใจของคนอื่นได้อย่างนี้สมาธิแบบนี้ไม่ดีไม่มีประโยชน์ไม่ไม่สามารถสกัดความอยากได้แต่จะกลายเป็นเครื่องมือของความอยากไปเพราะความอยากจะใช้ความสามารถพิเศษนี้เอาไปหาราบยศสารเสริญสุขนั่นเองต้องระวังถ้าเราได้สมาธิแบบนี้อย่าไปคิดว่าเป็นของดีบางคนนั่งแล้วอยากจะเห็น นรกเห็นสวรรค์อยากจะติดต่อกับเทพอ ย, อยากจะระลึกชาติได้ความสามารถเหล่านี้เป็นความสามารถที่ไม่มีคุณประโยชน์ต่อการตัดภพตัดชาติถ้ามีก็อย่าเข้าไปนึ่งใจให้กลับเข้ามาอยู่ในอัปปนาสมาธิด้วยสตินึ่งกลับมาด้วยสตินึงกลับมาด้วยพุทโธนึงกลับมาด้วยการดูลมหายใจเข้าออกทใจให้นิ่ง สมาธิที่มีคุณมีประโยชน์ที่สกัดความอยากได้ก็สมาธิที่นิ่งสงบนี่คือเรื่องของสมาธิที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาให้ได้ก็คืออัปปนาสมาธิส่วนปัญญานี่ก็มีอยู่สามระดับ<ม>เรียกสุตตะมายาปัญญา<ม>กินตามายปัญญาและภาวนามายปัญญา<ม>สุตตมยปัญญาก็คือปัญญาระดับแรก ปัญญาที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้ารู้จากพาาระหลานตสาวกเช่นเราฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะนี่เรียกว่าเรากำลังจเจริญสุตตมยปัญญาเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราต้องมีปัญญาในเรื่องอะไรบ้างอระพจาก็สอนให้เรารู้ในเรื่องอริยสัจตีในเรื่องของตายลักษ์เมื่อเราได้เรียนแล้วสิ่งที่เราต้องทาต่อไปก็พัฒนาให้เป็นปัญญาขั้นที่สอง ปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตามายะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการนึกคิดอยู่เรื่อยแล้วต้องนึกคิดึงเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงร่างกายเป็นอนิจจังเป็ น, เ, ปนเกิดแก่เจ็บตายร่างกายเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจบ็บไม่ให้ตายไม่ได้ร่างกายเป็นทุกข์เพราะเพราะว่าเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจบ็บไม่ตาย แต่ม ja, to ันต okay. ้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเลยทำให้เราทุกข์กับร่างกายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายเราก็ต้องหยุดความอยากให้ได้อันนี้ก็เป็นปัญญาขั้นที่สองต้องมามาคิดอยู่เรื่อยเพื่อเราจะได้รู้ว่าปัญหาของเราอยู่ที่ไหนปัญหาของพวกเราก็อยู่ที่ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เราจะทำยังไงไม่ให้เราไม่ไม่ทุกข์กับร่างกายเราก็ต้องหยุดความความอยากไม่แก่ไม่เจ็บให้ตายให้ได้ คือต้องปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายไปและการที่จะทำให้ร่างกายปล่อยปล่อยได้เราก็ต้องมีปัญญาขั้นที่สามเรียกว่าภาวนามยปัญญา mm hmm. ก็คือปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน mm hmm. ถ้าเรายังไม่มีอัปปนาสมาธิปัญญาที่จะปล่อยร่างกายนี้ก็ปล่อยไม่ได้ mm hmm. นี้เราต้องไปฝึกสมาธิให้เกิดอัปปนาสมาธิขึ้นมาแล้วก็มาสอนใจให้ปล่อยร่างกาย ปล่อยความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นของที่เราห้ามไม่ได้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราจะไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเราปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บให้มันตายเราปล่อยได้แล้วเราก็ต้องมีอัปปนาสมาธิอันนี้พอเรามีอัปปนาสมาธิปัญญาที่เรารู้ว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงที่เราจะต้องปล่อยคือจินตามยปัญญาก็จะกลายเป็นภาวนามยภาัญญาไป พอเรามีภาวนามย์ปัญญาเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความอยากได้เราก็หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ในขั้นสุดท้ายเราต้องมามีภาวนามย์ปัญญาก่อนจะมีภาวนามยปัญญาก็ต้องมีสุตตะมย์ปัญญาต้องไปเรียนรู้จากผู้ที่มีปัญญาคือพระพุทธเจ้ากับพระอราหันต์ก่อนแล้วเมื่อรู้แล้วเรียนมาแล้วก็เอามาคิดอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืม เมื่อจินตามัยปัญญาแต่มีแล้วแต่ยังหยุดความอยากไม่ได้ยังปล่อยวางร่างกายไม่ได้ก็ต้องมาฝึกสมาธิมาทําใจให้เป็นอัปปนาสมาธิให้เป็นอุเบกขาให้ปล่อยวางได้ก่อนพอปล่อยวางได้ก็ให้มาปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความอยากทุกชนิดพอปล่อยวางได้หมดตัดความอยากหยุดความอยากทั้งหลายได้หมดใจก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่คือภารกิจที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราทํากันวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่เราต้องตอบว่าเรากําลังทําทานศีลภาวนากันอยน่าไปบอกว่าเรากําลังไปหาลาภยศเสรเสริญสุขกันถ <S <S uh ้าเราไปตอบว่าเราไปหาลาภยศเสรเสริญสุขก็แสดงว่าเรากําลังไปวีนว่าตายเกิดกันแต่ถ้าเราตอบว่าเรากําลังไปทําทานรักษาศีลภาวนากันก็แสดงว่าเรากําลังไปตัดภพตัดชาติ ไปตัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจของพวกเรานี่คือสิ่งที่เราต้องคอยถามตัวเองเราอยู่เรื่อยเพราะชีวิตของเราสั้นลงไปทุกวันทุกวันเวลาที่เราจะอยู่ในโลกนี้มีเหลืออยู่น้อยลงไปทุกวันถ้าเราไม่รีบทำเสียเดี๋ยวมันก็จะหมดเวลาได้แล้วเราจะมาเสียใจในภายหลังซึ่งเสียใจยังไงก็ช่วยช่วยไม่ได้ตอนนี้เราช่วยได้รีบช่วยตัวเราเองเสียนี่ทาทานรักษาศีลภาวนากัน อย่าไปกังวลกับเรื่องราบยศสรรส่วนสุขเพราะว่ามันไม่มันเป็นตัวสร้างพบสร้างชาติให้กับเราไม่ใช่เป็นตัวตัดภบตัดชาติตัวที่จะตัดพบตัดชาติให้กับเราก็คือการทำปฏิบัติทานศีลภาวนานี้นั่นเองจึงขอให้พวกเราพยายามถามตัวเราเองตัวตาตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่การแสดงธรรมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอยาขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเลวะหาปุราปัลิกปุเรนติสาคหลังเอวเมวอิต e ูทินนางเปตานังอุปกปติอ an ิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิปเมวะสนิจโตสัพเพปุเรนโตสักปา จันโทปนะราโสยธามะีโชติราโสยธาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโววินัสตุมาเตภวตวันตลาโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาฒนสีลิสานิจัง พุธาปจจายโนจตารุทมาวัทนติอายุวันโสุขังภาลางลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามอีกครั้งหนึ่ง ถ้ามีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้จะถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือว่าถ้ามีมือถือจะส่งเข้ามาทางเพจทางย t u b e ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมหนาคุตจากทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติ522ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์287ท่าน YouTube ดร v 84วิทยุออนไลน์7คลับ h ฮ u s ์9นาคุต125รวมทั้งหมด 1,034 ท่านค่ะ ถ้ามีคำถามก็อ่านได้เลยคำถามจากผู้รับฟังนะกฎค่ะจากคุณวชิราวิต์ข้อที่หนึ่งดาเสียชีวิตไปแล้วเรามีโอกาสติดต่อท่านหรือท่านจะติดต่อเราได้ไหมครับเกิมเป็นไปได้แต่มันไม่ใช่เป็นของที่จะเกิดขึ้นง่ายๆบางครั้งบางข่าวมันต้องอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง คือเราก็ต้องมีอภินยามีความสามารถที่จะติดต่ อ, อกายทิพย์ได้แล้วเขาก็ต้องมีมีอภินยาที่จะมาติดต่อกับเราได้ถ้าไม่มีก็คงัะไม่ได้ติดต่อกันคําคถามข้อที่สองผู้ที่ถือศีลห้าจนวาระสุดท้ายของชีวิตหากเกิดเป็นคนในภพชาติใหม่จะถือศีลห้าต่อได้เลยหรือไม่ครับ ถ้าถ้าเขาไม่ลืมเขาถ้ามันฝังเป็นนิสยัยเขาก็จะทําต่อแต่ถ้าเขาทําเฉพาะเฉพาะเฉพาะเหตุกร ان, ารณ์บังคับให้เขาทําเขาก็ทำํำพอไม่มีเหตุการณ์บังคับเขาก็อาจจะไม่ทําก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของเขาว่าเขาทําเป็นเป็นนิสยัยหรือไม่ถ้าทําเป็นนิสัยมันก็จะทําต่อแต่ถ้าทําเป็นเฉพาะกิจเช่นไปอยู่ไปอยู่วาดเขาก็ให้ถือศีลก็ถือกับเขาไป พอออกจากวัดไปก็ไม่ถืออย่างนี้ตายไปมันก็เขาก็จะแล้วแต่เหตุการณ์พาเข้าไปค่ะคำถามจากนากุฏอีกคำถามค่ะอยากไปนิพพานถือเป็นกิเลสหรือไม่คะนอกจากไม่เป็น นอกจากทานศีลภาวนาแล้วหนูปรารถนานิพพานในชาตินี้ทางด่วนไฮเวย์ที่เหมาะสมคืออะไรคะก็นี่แหละก็ทานศีลภาวนาเนี่ยทางไปนิพพานการไม่เกิดก็เป็น ก, ก็คือการไปนิพพานนี่ถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานก็ยังต้องไปเกิดต่อพอไปถึงนิพพานแล้วก็ไม่เกิดอีกต่อไปคำถามจากหน้ากูดค่ะ ข้อที่หนึ่งคิดว่าตนเองจําอดีตชาติของตอนเองได้สงสัยว่าเราจําได้จริงหรือหรือเราคิดไปเองคะก็ไม่สําคัญหรอกจำจำก็จําไปจริงไม่จริงก็เราดูสังเกต ด, ดูถ้าพิสูจน์ได้ก็พิสูจน์ไปถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ก็ปล่อยปล่อยมันผ่านไปมันไม่ให้เป็นประเด็นสําคัญอะไรมันไม่ได้มาแก้ปัญหาการเวียนว่ายตายเกิดของเรางนั้นอย่าไปให้ความสําคัญกับมันมากจนเกินไป อีกคำถามหนึ่งค่ะอดีตชาติที่เราจําได้เกิดจากการฝึกฝนตนเองหรือจากการที่ในอดีตเราเคยดมดอกไม้ปริชาติคะมีความต่างกันไหมคะอ๋อจากการมีความจําดีคนจําดีมีความจาดีก็จะจําอะไรได้มากได้นานกว่าคนที่มีความจาสั้นฉะนนบางคนนี้มีความจำจาดีมากป้านนทนี่จาพระเทศนาของพระพุทธเจ้าได้ทุกครั้งเลย ทุกครั้งที่พระนุนไปฟังเทศของพระพุทธเจ้านี่พระนุนจะามาบันถึกไว้ในใจแล้วเป็นผู้ที่มาสังฆยนาพระไตรปิฎกเวลาครั้งแรกที่มีการสังฆยนาทบทวนดูว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดไว้นี้เป็นอย่างไรก็จะมีพระนุนนี่จะมาคอยเป็นผู้คอยยืนยันรับรับรองว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้หรือไม่ ดนั้แต่ละคนความจําของแต่ละคนนี้ไม่เท่ากันคนจําดีมกักจะเรียนเรียนเก่งคนจําไม่ค่อยดีเรียนไม่ค่อยเก่งเพราเวลาสอบตอบข้อสอบไม่ได้จําไม่ได้แต่คนที่จําได้ดูหนังสือไว้ท่องจําไว้เวลามีข้อสอบก็เหมือนกับเปิดหนังสือดูเลยตอนนี้ยังไม่มีคําถามคะ่ะ เรื่องสําคัญคือเรื่องของการหยุดกิเลสหยุดคว า, ามโลภความโกรธความหลงเรื่องอื่นนี้ไม่ก็สําคัญอะไรเท่าไหร่จะจะรู้หรือไม่รู้จะมีหรือไม่มีไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าเรามีความสามารถที่จะสู้กับกิเลสได้ไหรือไม่และการที่เราจะสู้กับกิเลสได้ก็คือเรามีความสามารถทําทานได้มากน้อยเพียงไรเรารักษาศีลได้มากน้อยเพียงไร เราฝึกสมาธิได้มากน้อยเพียงไรแล้วเราจเจริญปัญญาได้มากน้อยเพียงไรให้เราสนใจกับประเด็นที่สำคัญดีกว่าประเด็นที่ไม่สำคัญม่นจะตายไปแล้วจะไปติดต่อกับคนที่ยังอยู่ได้หรือเปล่าเรื่อคนที่ตายไปแล้วจะมาติดต่อกับเราได้หรือไม่มันมันไม่ให้เป็นเรื่องประเด็นสำคัญเพราะขณาอยู่ด้วยกันบางทีก็ไม่ยยังไม่อยากจะติดต่อกันเลย y Poppy. ยังไม่อยากจะเจอกันเลย แ้วพอเวลาตายแล้วจะมาคิดถึงกันอีกทำไมมันไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญอะไรที่เราจะต้องมาให้ความสําคัญกับมันอย่าไปเสียเวลากับเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์กับการตัดภพตัดชาติเอาเวลามาทุ่มเทให้กับการตัดภพตัดชาติดีกว่าเพราะเวลาเรามีน้อยมากเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ถึงร้อยปีหรือไม่หรือถึงเก้าสิบปีหรือแปดสิบปีหรือไม่ อายุของเราแต่ละคนนี้มันไม่มีใครไปกำหนดได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเรา ต, ต้องถือว่าล า, า จ, จะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ <Okay. S 1> ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราจะได้ไม่ไม่ประมาทนอนใจ <Okay. S 1> เราจะได้รีบทำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะจิตใจของเราตอนนี้เป็นเหมือนนักโทษที่ติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เรามาดึงจิตใจเราออกจากคุบจากตารางกันดีกว่าเวลาของเราก็ไม่แน่นอนว่าจะเหลืออีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันเนตอนนี้มีเวลารีบใช้เวลานี้ให้กับการตัดภพตัดชาติดีกว่ามีคำถามเข้ามาข้างหลังคำถามจากน้าขุดค่ะ ข่าการเสียชีวิตจากการตกเครื่องบินพร้อมกันของหลวงพ่อห้าองค์สิทธหลวงปู่มั่นซึ่งหลวงพ่อทั้งห้าองค์เป็นพระปฏิบัติภาวนามีเรื่องเล่าว่ามาจากเขียรังนกทำให้ลูกนกตกมาตาย ส, มสามตัวเป็นเพราะลูกนกอาฆาตหรือเป็นเพราะเวรกรรมเพราะคิดว่าผาตปฏิบัติน่าจะมีความแผ่น่าจะมีความเมตตาแต่ทาไมกรรมถึงหนักมากถึงตกเครื่องบิน การตายของคนแต่ละคนมันตายได้หลายรูปแบบจมน้ำตายก็มีตกเครื่องบินตายก็มีถูกรถชนตายก็มีเดินไปลื่นหักล้มหัวฟาดพื้นตายก็มีนั้นเรื่องของความตายมันตายได้หลายวิธีด้วยกันแล้วก็ไม่ไม่เป็นประเด็นสําคัญว่าตายแบบไหนประเด็นสําคัญก็คือเกิดมาแล้วต้องตายกันทุกคนไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้ เห็นไม่ต้องไปให้ความสําคัญแล้วประเด็นที่ทําให้คนมาตายคืออะไรก็คือการมาเกิดนีอ่อันนี้แหละเป็นตัวสําคัญที่สุดเหตุที่ทําคนให้คนตายก็คือการมาเกิดถ้าไม่มีการมาเกิดมันก็จะไม่มีการตายส่วน<ม>เวลาจะตายตายแบบไหนตายวิธีไหนตายด้วยที่ตรงไหนนี่มันไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่เหตุที่พาให้เรามาตายคืออะไรก็คือการมาเกิด ถ้าเราไม่อยากจะตายก็อยากกลับมาเกิดอีกขอให้มันตายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ถ้าเรายังกลับมาเกิดอีกเราก็ยังต้องมาตายแล้วก็ตายในรูปแบบต่างๆทัง้งเราก็อาจจะไม่รู้ว่าจะตายแบบไหนอาจจะโดนยาพิษตายอาจจะโดนหมากัดตายโดนงูกัดตายมันมีวิธีตายสา ร, รพัดตายและวิธีเหตุที่ทำให้มาตายมีมีเหตุเดียวเท่านั้นก็คือการมาเกิด แั้นเราไปหยุดที่เหตุตัวนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมากัวงวลเกี่ยวกับเรื่องตายต่อไปคําถามสกุลเด็กน้อยๆค่ะกลับนมัส ก, การเรียมถามครับที่พระพุทธเจ้าทรงบอกพระอานนุ์ว่าให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจคือให้นึกบริกรรมว่าตายตายตา ย, ตายใช่ไหมครับก็ให้ไม่ให้ลืมความตายนะคือความหมายให้เรารู้ว่าเราจะต้องตายแล้วเวลาที่จะตายจะได้ไม่ตกใจเท่านั้นเอง แต่ทุกวันนี้เวลาเรามีข่าวคนตายขึ้นมาทีค้างกลายเป็นข่าวหน้าหัวผ้าหัวหน้าหน้าหนังสือเพราะกลายเป็นเรื่องแปลกประหลาดไปจึ่งความจริงแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนตายทุกวัน ท, ทุกขณะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มาเกิดกับคนที่เรารู้จักมันก็เลยทําให้เรารู้สึกไม่ตื่นเต้นตกใจอะไรเพราะเราลืมไปว่าเราทุกคนจะต้องตายกัน ถ้าเราจำได้ว่าเราจะต้องตายเวลาเจอความตายเราจะรู้สึกเฉยเฉยนี่คือความหมายคือไม่ให้เราลืมความตายให้เรารู้ว่าชีวิตเราจะต้องจบที่ความตายเราจะได้ไม่เอาเวลาของเราอันมีค่าของเราไปเสียกับกับการไปทำเรื่องที่ไร้ประโยชน์กับจิตใจจะได้รีบเอาเวลามาใช้ประโยชน์ให้กับจิตใจของเราคือปลดปื้มจิตใจเราให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะดีกว่า คำถามจากคุณหนึ่งหรือไทยคะ่ะขณะนั่งสมาธิเวลาเราบริกรรมพุทโธจำเป็นต้องกำหนดลมหายใจเข้าพุทออกโธไปด้วยไหมคะหรือเราสามารถท่องพุทโธอย่างเดียวได้เลยคะไม่จำเป็นหรอกเอาว่ามาแลระหว่างที่จิตส่งออกนอกมีวิธีแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะคือเวลาภาวานานี่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่จาเป็นจะต้องใช้สองอย่างควบคู่กัน จะใช้คำบาลีกรรมอย่างเดียวก็พูดโธไปตลอดไม่ต้องดูลมหายใจหรือถ้าจะดูลมหายใจก็ไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้แต่ก็ไม่ห้ามถ้าอยากจะเอามารวบ ก, กันก็ได้แล้วแต่บางคนอยากจะดูลมด้วยอยากจะพุโทโธด้วยก็ได้แต่ทางที่ดีคนเอาอย่างใดอย่างหนึง่งมันจะดีกว่ามันจะได้ผลดีกว่าจะสงบดีกว่าส่วนเรื่องของการเวลานั่งไปแล้วเกิดความคิดเข้ามาแทรกก็อย่าไปสนใจมัน เช่นเราดูลมไปแล้วก็มีความคิดเข้ามา ก, ก็ไม่ต้องไปสนใจกับความคิดให้เราอยู่กับลมหายใจไปเวลาเราพุทโธไปแล้วเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็กลับมาที่พุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของความคิดอย่าไปพยายามหยุดความคิดวิธีหยุดความคิดก็คือการอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจถ้ามันยังไม่หายก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไปเพราะสติของเรายังไม่มีกําลังมากพอที่จะห้ามมันได้ ก็ปล่อยมันคิดไปแต่ใจเราพยายามอยู่กับพุทโธไปอยู่กับกลมหายใจไปถ้าเราอยู่ได้ต่อเนื่องมากขึ้นยาวขึ้นความคิดก็จะเบาลงน้อยลงไปเองคำถามจากคุณดิมเปลิลค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะพระอาจารย์หากปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วยังไม่เห็นผลของการปฏิบัติควรวางจิตวางใจอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความท้อเจ้าค่ะก็เหมือนกับการกินข้าวนะ กินไปแล้วยังไม่อิ่มจะทําไงจะท้อหรือเปล่าไม่ท้อใช่ไหมก็ต้องกินต่อไปเลยปฏิบัติมันยังไม่ได้ผลก็ต้องปฏิบัติต่อไปไปท้อมันก็ยิ่งไม่ได้ผลใหญ่ไปท้อไปหยุดมันก็ไม่ได้เวลากินแล้วไม่อิ่มก็จะท้อไม่อยากกินแล้วกินแล้วไม่อิ่มมืนก็กินทําไมมันก็ยิ่งไม่อิ่มใหญ่มันก็เรากูกินไม่อิ่มก็ต้องกินต่อไปเมื่อปฏิบัติยังไม่ได้ผลก็ต้องปฏิบัติต่อไป เดี๋ยวมันก็ได้ผลเองมันไม่ใช่เป็นการกระทําแบบที่จะทําปุ๊บได้ปับ๊บมันไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ดเนี่ยไปที่แม็กโดนัล์ไปยืนสั่งปุ๊บเขาก็หยิบมาให้เลยอันนี้เป็นเหมือนไปสั่งโต๊ะจีนบางทีต้องจองไว้ก่อนเจดวันเขาจะได้เตรียมเตรียมอาหารเตรียมอะไรให้กับเราเนหรือมันเป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้เนี่ยการปฏิบัติธรรมนี่เป็นเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องใช้เวลา เป็นเดือนเป็นปีกว่าต้นไม้จะโตและออกผ ล, ลไม้ไม่เหมือนกับการไปซื้อผ ล, ลไม้ที่ตลาดนการไปซื้อผ ล, ลไม้ที่ตลาดเอาเงินยืนให้เขาปับ๊บเขาก็ให้ผ ล, ลไม้เรามาไดไ้ต้องใจเย็นๆในการปฏิบัติธรรมคาถามสบคุณกหนกวันค่ะโยมเป็นคนที่ชอบสละทรัพย์เพื่อพ่อแม่สามีและลูกหรือคนที่เดือดร้อน โยมจะยินดีสละทรัพย์ช่วยเหลือและอยากให้ท่านใช้ของดีๆแต่กับตัวเองจะประหยัดใช้ของราคาไม่แพงกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่โยมทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นกิเลสในใจโยมเจ้าคะเป็นงที่ถูกต้องคนที่ทําบุญทําทานมักอยากจะให้ของดีๆกับผู้อื่นส่วนตัวเองก็ไม่อยากจะใช้ของดีเพราะเห็นว่ามันไม่จําเป็นเสียงเงินเสียทางไปเปล่า อยากสำหรับคนอื่นก็อยากจะให้เขามีความสุขก็เลยอยากจะให้ของดีๆเขาใช้คำถามจาก Facebook ค่ะลูกเป็นมะเร็งตอนแรกก็ตกใจค่ะแต่พอมาฟังธรรมพระอาจารย์เวลานี้ไม่ทุกข์กับร่างกายเลยแบบนี้เรียกว่าเข้าถึงธรรมไหมคะถ้าไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเรามีธรรมมีมีปัญญามีสมาธิที่ทำให้ใจเราไม่ไปทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายได้ คำถามสากคุณคงกริตค่ะการปฏิบัติของหนูใช้คำภาวนาพุทโธมีคืนหนึ่งเริ่มเข้าภาวนานึกคำบริกรรมไม่ออกค่ะเลยนั่งดูลมหายใจอาการนี้เกิดจากอะไรเจ้าคะก็บางทีใจเราสงบพอสมควรมันก็เลยไม่อยากจะบริกรรมมันอยากจะอยู่เฉยๆแล้วอยู่เฉยๆล้วก็ดูดลมไปถ้าเราไม่คิดอะไรก็กไม่ต้องทำอะไร การนั่งสมาธิก็เพื่อหยุดความคิดเมื่อใจมันไม่อยากจะคิดก็ไม่ต้องพุโทโธแต่ถ้ามันเริ่มคิดเราก็ต้องใช้พุโทโธรือใช้การดูลมหายใจเป็นการหยุดมันหมดแล้วเหรออืมอีกคำถามหนึ่งหนูอ่านแล้วง ง, งจะขอลองอ่านนะคะจากทางเฟซบุ๊กค่ะ โลกเสมือนจริง AI ที่นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเสมือนจริงในความคิดของแต่ละคนการปฏิบัติสมาธิภาวนาจะมีบทบาทอย่างไรต่อไปครับในการรักษาใจหรือจะเป็นเรื่องเดียวกับ AI ไหมครับมันคนละเรื่องกันนะเรื่องการปฏิบัตินี่ก็เพื่อทำใจให้เราให้สงบทำใจเราให้เย็นให้สุขให้สบายส่วนเรื่องของ AI มันก็เป็นเรื่องของการใช้ เ, เครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาตอบสนองกิเลสตัณหามากกว่าเป็นทางการเป็นทางสู่การเวียนว่ายตายเกิดแต่การภาวนานี้เป็นการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหยุดความอยากต่างๆนั่นมันเป็นคนละทางกันสิ่งต่างๆที่เรามนุษย์ทั้งหลายประดิษฐ์ขึ้นมาในโลกนี้ล้วนเป็นการตอบสนองตัณหาความอยากทั้งนะั้นอยากจะสุขสบายมากขึ้น อยากจะกินจะดูจะฟังอะไรง่ายขึ้นเร็วขึ้นมากขึ้นต่อไปอาจจะไม่ต้องไปที่ร้านมีดูของดูขึ้นในภาพในจอก็อิ่มได้ดูอาหารในจอแล้วก็อิ่มไม่ต้องไปกินแต่มันก็มันก็ไม่ไปหยุดความอยากมันยิ่งทำให้อยากอยากดูอยากกินอยากฟังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดัง <c oughs> นั้นทางโลกนี้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตอบสนองความอยาก ไม่ได้ไปลดละความอยากให้เบาบางลงให้น้อยลงอีกคำถามหนึ่งค่ะจากทางเฟ e b o o k ศีลสองระดับคือศีลห้าและศีลแปดแต่ศีลสาหรับพระและพิสุนีถือเป็นศีลระดับที่สามไหมคะคือสาหรับระดับพระนี่มันเป็นกฎระเบียบมากกว่าเป็นการจะเรียกว่าเป็นระดับที่สามก็ได้เพราะว่า ทำให้จะทำลายตามความอยากได้ยากขึ้นอยากจะยืนกินก็ไม่ได้เป็นพระต้องนั่งกินเวลากินก็ไม่ให้คุยกันอย่างนี้บางทีง <yeah. S 2> คนอยากกินด้วยอยากคุยด้วยทั้งกินทั้งคุยไปทำตามความอยากแต่พอมาเป็นพระไม่ให้ไม่ให้คุยให้กินอย่างเดียวทำะไรต้องมีควา ม, ร, มระมัดระวงัง yeah. เอาของของใครมาแล้วก็นอนไปคืนที่เขาไม่อะไรทํานองนะั้นมันเป็นกฎเป็นระเบียบมากกว่าเป็นการควบคุมการกระทําของพระไม่ให้มันไม่ให้มันเสียหายในสายตาของผู้อนให้เห็นว่าเป็นการกระทําที่สุภาพเรียบร้อยเพราะพระเป็นบุคคลที่เขาเคารพนับถือดัองนั้นต้องทําตัวเองให้ให้สูงกว่าให้ดีกับคนที่เขาเคารพนับถือก็ถึงจะเคารพนับถือ เพราะว่าพระต้องอยู่ด้วยศรัทธาของคนที่เาขาเคารพนับถือถ้าเขาไม่เคารพนับถือเขาก็จะไม่เมียงพระเขาก็จะไม่ถวายเงินถวายอาหารให้กับพระให้กับวัดพระก็จะอยู่ไม่ได้เพงั้นการที่ทำให้พระอยู่ได้พระต้องทำตัวเองให้เรียบร้อยให้สวยงามในสายตาของผู้ที่มีความเคารพเขาก็จะได้เคารพนับถือและยินดีสนับสนุนก็เลยต้องเป็นเป็นข้อห้ามเพิ่มมากขึ้น อ ป, ปกติแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามที่สําคัญตัวหลักๆ ก, ก็คือศีลแปดนี่แหละเป็นข้อห้ามที่สําคัญพระก็ต้องถือศีลแปดเหมือนกันพระก็ฆ่าสัตว์ไม่ได้นักทรัพไม่ได้ประพฤติผิดประเพณีไม่ได้อะไรต่างๆเหมือนกันหมดแล้วเลยยังไม่มีคําถามค่ะโอเคถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงเอาเมสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรงยิ่งขึ้นไปเธอ